เรื่องเทศซ้าเทาลักษณะเสียงของท่านขณะเทศอบรมพระเนนนั้นจะทุ้มก็ไม่ใช่จะแหลมก็ไม่เชิงอยู่ในระหว่างกลางทุ้มกับแหลมเสียงดังฟังชัดเสียงกังวานเสียงชัดเจนไม่มีแหบไม่มีเครือชั่วโมงแรกนะไม่เท่าไหรธรรมดาธรรมดาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเสียงจะดังขึ้น สองชั่วโมงผ่านไปเสียงจะดังขึ้นอีกถ้าติดต่อกันสามสี่ชั่วโมงแล้วเหมือนกับติดใหม่อันนี้เป็นเรื่องจริงจากวัดป่าบ้านหนองผือจะรดบ้านหนองผือโน้นเรียกว่าบ้านโยมพุทธน่นนะลุกมานั่งฟังธรรมดาเหมือนท่านมาพูดใกล้ๆเจ้าบ้านหนองผือที่นอนแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งฟังหมดไม่จาเป็นต้องมาที่วัดอันนี้คาชั่วโมงที่สองขึ้นไป กติท่านจะเทศสองชั่วโมงในชั่วโมงที่สองนั่นแหละชาวบ้านได้ยินแล้วลุกมานั่งฟังแล้วเทศกรณีพิเศษเช่นเดือนสามเพนเดือนหกเพนวันเข้าพรรษาออกพรรษาอย่างน้อยก็ประมาณสี่ชั่วโมงถึงหกชั่วโมงจะดังขึ้นเรื่อยๆถึงหกชั่วโมงยิ่งดังพระอาจารย์เทศ ได้เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่เชียงใหม่เทศที่วัดเจดีหลวงเทศตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงส1บอดนาฬิกาวันใหม่ลงจากธรร ม, มาฏท่านจึงจะมาฉันจังหันนั่นเป็นกี่ชั่วโมงตื่นเช้าขึ้นมาท่านยังเทศอยู่เสียงมันดังทีนี้พวกข้าราชการแม่บ้านอิุตกราไปตลาดตอนเช้าพอได้ยินเสียงท่านเทศ คิดว่าพระทะเลาะ ก, กันพากันเข้าไปก็เห็นท่านพระอาจารย์มั่นเทศเลยอยู่ฟังเทศลืมว่าจะไปตลาดและต้องกลับไปทํากับข้าวให้ลูกให้ผัวกินลูกผัวตามมาเห็นอยู่ที่วัดเจดีหลวงฟังเทศอยู่ก็เลยบอกว่าจะไปจ่ายตลาดเองแล้วก็จะเลยไปทํางานผู้ที่จะไปขายของก็เหมือนกันผ่านมาพอได้ยินเสียงคิดว่าพระทะเลาะ ก, กัน ก็พากันเข้าไปไม่ต้องขายของวางตะก้าแล้วก็ฟังเทศต่อจนกระทั่งท่านเทศจบจึงไปพระอาจารย์เทศเทสาังสีพูดให้ฟังอย่างนี้ท่านเทศนานที่สุดคือเทศปีสุดท้ายเป็นวันมาคักบูชาหลังจากเวียนเทียนเสร็จแล้วท่านก็เริ่มเทศ มีชาวบ้านห้องผือมานั่งฟังอยู่ข้างล่างมีทั้งผู้หญิงผู้ชายลูกเล็กเด็กแดงอุ้มนอนอยู่ที่ตักเด็กก็ไม่ร้องปรากฏว่ามีคนอุ้มเด็กกลับไปแค่สามคนนอกนั้นอยู่จนรุ่งถึงจะกลับบ้านท่านเทศอยู่ตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงเช้าอันนี้เป็นความจำของผู้เล่าท่านพูดว่าเราจะเทศแล้วละ่ะเทศซ้าเท่านะ ต่อจากนี้ไปจะไม่ได้เทศนานอย่างนี้อีกแล้วรู้สึกว่าจะเป็นวันเพลนเดือนสามพอตกเดือนห้าท่านก็เริ่มป่วยมีอาการไอและป่วยมาเรื่อยๆจนกระทั่งเดือนอายเป็นเวลาเก้าเดือนปกตินั้นท่านจะเทศตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติที่สมเด็จพระมหาสมนาเจ้ากรมพระยาวัชรายา น, นวโรด ทรงรจนาถ้าเ่นเดือนหกจะปรารบถึงเรื่องประสูตรตรัสรู้และปรินิพานถ้าเ่นเดือนสามจะปรารบเรื่องการแสดงโอวาทปาติโมกที่พระเวลุวันตลอดคืนจนสว่างทำไมจะมากมายกายกองขนาดนั้นก็เพราะท่านไม่ได้เล่าเป็นวิชาการ ท่านเล่าให้ละเอียดไปกว่านั้นอีกเรื่องก็เลยยืดยาวไปเวลาเทศท่านจะลืมตาหมากไม่เคี้ยวน้ำไม่ดื่มท่านจะเทศอย่างเดียวพระเนนก็ลุกหนีไม่ได้ไม่มีใครลุกหนีเลยไปปัสสาวะก็ไม่ไปจะอจะจามก็ไม่มีจะบ้วนน้ำลายก็ไม่มีจะนิ่งเงียบจนเทศจบ